การใช้ปัญญาแก้ถุกในพระพุทธศาสนาถือว่าการแก้ไขความทุกข์ได้เป็นจุดประสงค์อย่างสูงสุดดังจะเห็นได้ว่าทฤษฎีเรื่องอริยสัจคือของจริงอย่างประเสริฐสีประการนั้นคือทฤษฎีแก้ความทุกข์โดยตรงแต่เป็นทฤษฎีแปลกว่าธรรมดาก็คือทฤษฎีธรรมดานั้นเป็นเรื่องคิดเอาหรือลองตั้งหลักขึ้นไว้ก่อน จะได้ผลจริงจังหรือไม่คอยพิสูจน์กันทีหลังแต่ทฤษฎีอริยสัจของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความคิดฝันหรือคาดคะเนเอาอาจเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ชีวิตของพระองค์เองเป็นเดิมพันในการค้นคว้าทดลองจนได้ผลแล้วได้พ้นทุกจริงแล้วจึงได้ประกาศทฤษฎีนี้ออกมาพร้อมทั้ ง, งทรงชี้แจงว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริง หรือปฏิบัติได้ผลมาเองในเรื่องนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ปฏิญาณพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องการแก้ความทุกข์ของพระพุทธศาสนาเราจึงพิจารณาได้โดยตรงจากเรื่องอริยสัจประการหนึ่งกับการใช้หลักการในอริยสัจเป็นแนวแล้วใช้ปัญญาสอนใจตน ให้หายทุกข์หายกลุ่มอีกประการหนึ่งการแก้ทุกข์ตามหลักอริยสัจอริยสัจคือทุกข์สมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์ละมัคข้อปฏิบัติหรือทางสู่ความพ้นทุกข์ ข้อที่หนึ่งให้รู้จักตัวความทุกข์ก่อนว่าได้แก่อะไรบางครั้งอาจเข้าใจสับสนเห็นสุขเป็นทุกข์หรือเห็นทุกข์เป็นสุขฉะนั้นจึงต้องถือหลักว่าทุกข์มีสามชนิดคือทุกข์ประจําได้แก่ความเกิดความแก่ความตายทุกข์จรได้แก่ความโศก ความคร่ำรวนความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นประจบกับอารมณ์ไม่เป็นที่รักปรัดรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นและทุกชนิดที่สามทุกรวบยอดได้แก่ขันห้าคือร่างกายจิตใจที่เรายึดถือซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่างห้ า, าส่วนเป็นเรื่องกาย หรือที่เรียกว่ารูปหนึ่งส่วนและเป็นเรื่องของจิตใจหรือที่เรียกว่านามสี่ส่วนข้อที่สองให้รู้จักสมุ ท, ทยัยให้รู้จักต้นเหตุของความทุกข์ว่าได้แก่อะไรคนโดยมากอยากจะดับทุกข์หรือแก้ทุกข์แต่แทนที่จะแก้ที่ต้นเหตุกลับไปวุ่นวายอยู่ที่ตัวความทุกข์อันเป็นผล จึงแก้ไม่ได้ทางพระพุทธศาสนาจึงชี้ไปที่ความทยานอยากหรือตัณหาสาประการว่าเป็นต้นเหตุให้ทุกเกิดคือความทยานอยากในกามเรียกการมตัณหาหนึ่งความทยานอยากในภพคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวะตัณหาหนึ่งความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คืออยากให้พ้นไปให้สูญไปจากภาวะหรือภพนั้นๆเรียกว่าวิภาวะตัณหาหนึ่งหมายเหตุคำว่ากามในทางศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่เรื่องทางเพศอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับแต่คำว่ากามรวมไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าชอบใจ แล้วรวมไปถึงลาบโยศสมบัติชื่อเสียงคำสรรเสริญด้วยนะครับข้อที่สมให้รู้จักนิโรธความดับทุกข์ว่าได้แก่ความดับอะไรซึ่งทางพระพุทธศาสนาชี้แจงว่าการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับผลต้องดับเหตุผลจึงจะดับไปด้วยถ้าดับแต่ผลเหตุยังอยู่ ทุกข์ก็จะต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นการดับความทุกข์ในที่นี้จึงได้แก่ดับความทยานอยากทั้งสามนั้นได้โดยเด็ดขาดที่ว่าตรงดับได้โดยเด็ดขาดนั้นหมายถึงความดับโดยสมบูรณ์ถ้าดับได้น้อยทุกข์ก็ยังเหลืออยู่ตามความมากน้อยของความทยานอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้น มาเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่านิโรดนั้นสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ปออปยุตโตท่านชี้แจงเรื่องนี้ไว้ว่าการแปลว่าความดับทุกนั้นเป็นการแปลให้เข้าใจกันอย่างคร่าวๆแต่ความจริงนิโรดคือภาวะแห่งการไม่มีทุกขที่จะต้องดับหมายถึงภาวะที่ไรกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วเป็นภาวะแห่งความสิ้นทุก ข้อที่สให้รู้จักมักคือรู้จักว่านิโรธความดับทุกขหรือความสิ้นทุกนั้นจะเกิดขึ้นลอยลอยไม่ได้จะต้องมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนั้นข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติสายกลางบ้างเรียกอริยมักคือทางอันประเสริฐบ้างมีองค์ประกอบ8ประการบาลีเรียกว่า อริยาอัจฐานกิกรรมะหรืออริยามรรคมีองค์8ซึ่งอาจย่อสั้นๆลงเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่ว่าในขั้นแรกเดี๋ยวเรียงข้อปฏิบัติฝ่ายปัญญาไว้ก่อนเป็นการแสดงว่าการเข้าสู่พระพุทธศาสนาในแบบพ้นทุกข์ให้ใช้หลักปัญญาเป็นหัวหน้าดังนี้ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสอง สัมมาสังกัปปะดำริีชอบจัดเข้าในปัญญา 3. สามสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สสัมมากัมมันตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบจัดเข้าในศีลหก สัมมาวายามะเพียรชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบจัดเข้าในสมาธิหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าทางสายกลางนั้นคือการปฏิบัติถูกตรง ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการส่วนการปฏิบัติตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนั้นจัดเข้าในวิริยะสมตาคือความเพียรพอดีแนะนำให้ฟังคำอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดจากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนะครับ